นัติกำ ม, มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังเรื่องของนี่เวนนี่กรรมที่จะเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังันวันนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดอ่างทองครับคุณมาลัยแก่เป็นเจ้าของโรงทําอิฐ บ้านแกมีอาชีพทำอิดขายเสร็จแล้วมีอยู่วันนึงยังเช้าตรู่อยู่เลยแกเพิ่งจะออกจากครัวทำกับข้าวเสร็จพอดีกำลังคิดว่าจะไปทำงานที่โรงอิดก็ปรากฏว่ามีลูกวัวตัวหนึ่งเดินเข้ามาในบ้านมันก็เหมือนกับลูกวัวทั่วไปตัวยังเล็กสีตามเนื้อตามตัวมันก็เหมือนกับสีอิดมอนที่โรงงานเผาออกมาจากเตาใหม่ๆแล้วก็มีสีขาวมน ปะปนอยู่ด้วยก็มองดูสวยดีคุณมาลัยก็เลยให้ลูกชายอายุ11ปีไปไล่ให้มันออกไปจากบ้านเพรกลัวจะมาเหยียบย่าพืชสวนครัวที่ปลูกเอาไว้จนย่อยยับเสียหายที่บ้านแ ก, ป ล, กปลูกขา่าตะไคร้หัวรพากะเพราผักชีฝรัง่งพริกกินหูพริกขี้ผ้าอะไรพวกเยอะแยะแล้วมันต้องซื้อเขากินเจ้าพืชพวกนี้แหละที่คุณมาลัยห่วงมากก็เลยบอกลูกให้ไล่มันออกไปเด็กก็เอาไม้ไปไล่มัน มันก็หันหนีวิ่งออกไปจากบ้านส่วนคุณมาลัยก็ส่งเสียงออกไปดังๆบอกว่ า, าลูกวัวใครหลุดมามาจับเอาไปเสียเดี๋ยวมันจะหนีไปที่อื่นซะตะโกนไปสามหนสีห่หนก็ไม่มีใครเงียบไม่มีเสียงใครตอบแล้วก็ไม่เห็นจะมีใครมาตามหามันแต่ยังไงซะมันก็ออกจากบ้านไปแล้วก็ไม่ทําให้เดือดร้อนอะไรคุณมาลัยก็เลยขับมอเตอร์ไซค์ออกไปที่โรงอิดโรงอิดนี่อยู่หลังหมู่บ้านแต่ก่อนนั้น ที่ดินที่ว่าเป็นโรงอิดเนี่ยเป็นสวนแล้วก็ใช้ทํานาปลูกข้าวหวานข้าวเบาข้าวเบาก็คือข้าวที่แก่เร็วได้ผลเร็วแต่ว่าการทํานาหรือว่าทําสวนน่ยมันไม่ได้ผลตอนนั้นน้ําหายากก็เลยเปลี่ยนที่ดินผืนนั้นมาทําโรงอิดต้องจ้างคนงานมาทํางานกันก็ทําให้มีไรายได้ดีกว่าทํานาทําสวนแล้วอีกอย่างหนึ่งเพื่อนบ้านก็มีงานทําด้วยคุณมาไล่ทางานอยู่ที่โรงอิด จนกระทั่งเวลาสักเก้าโมงเชา้าลูกชายก็ปั่นจักรยานมาร้องเรียกแม่แม่แมลูกวงเข้าบ้านอีกแล้วแกก็สั่งใบบอกว่าก็ไล่มันออกไปสิลูกก็บอกไล่มันไปแล้วมันก็เข้าอีกก็ไล่ไปตั้งสามคนแล้วแม่แล้วตอนนี้มันอยู่ที่ไหนอ่ะมันนอนอยู่ใต้ถุนบ้านน่ะอ้าวมันไม่กินข่าตะไคร้กูหมดแล้วเหรอเนี่ยไม่หรอกแม่มันเดินเข้าไปนอนใต้ถุนเลยไม่กินอะไรหรอก คุณมาไลยก็ละมือจากงานปล่อยให้ลูกน้องทำแกขับมอเตอร์ไซค์ไปไล่วัวก่อนนี่ยังดีนะที่ว่าลูกชายอยู่บ้านเพราะว่ามันเป็นวันเสาร์ลูกไม่ได้ไปโรงเรียนก็พออาศัยเฝ้าบ้านได้แกก็ไปจัดการไล่ลูกวัวมันไม่ยอมออกไปอ่ะวนเวียนเดินไปเดินมาอยู่รอบรอบบ้านเอาไม้เรียวหวดมันมันก็วิ่งหนีแต่ว่าไม่ยอมออกไปนะคุณมาไลยก็ชักโมโหเหนื่อยหอบเอามือเท้าสะเอวอ่ะ มองดูมันอย่างเบื่อหน่ายวัวไข่กันนะแม่วัวไม่มีเจ้าของเราก็เลี้ยงไว้เลยสิแม่เลี้ยได้ง่ยอะ่ะเดี๋ยวเจ้าของขามาตามก็าหาว่าเราขโมยอ้าวเขามาตามก็ให้เขาไปสิแม่ก็มันอ ย, อยากอยู่บ้านเราก็ให้มันอยู่สิคุณมาลัยก็มองหน้าลูกชายแววตาเขาเนี่ยมองลูกวัวอย่างชอบชอบ เอองั้นแกดูมันไว้เดี๋ยวนะเดี๋ยวแม่จะไปถามใครต่อใครก่อนว่ามันเป็นลูกวัวใครจะได้ให้เขามาจับมันไปคุณมาลัยก็ยอมเสียเวลาทํางานขับรถตะเวนไปหัวหมู่บ้านจรดท้ายหมู่บ้านไปถามหาเจ้าของลูกวัวขึ้นไปทางเหนือแล้วก็ล่องไปทางใต้ถามเข้าไปทั่วไม่ว่าบ้านนั้นจะเลี้ยงวัวหรือไม่เลี้ยงก็ตามไม่มีใครรู้เห็นเรื่องลูกวัวตัวนี้เลยคุณมาลก็สั่งไว้ตามร้านค้าว่าถ้าใครถามหาลูกวัวให้ไปที่บ้านนะมันอยู่ที่นั่น เสร็จแล้วแกก็กลับมาที่บ้านก็เห็นลูกชายกาลังเอาญ้าป้อนมันอยู่ท่าทางเข้ากันได้ดีก็เลยไปทำงานต่อตอนไปก็กำชับให้ดูดีๆอย่าให้ไปเหยียบย่าสวนครัวครับแม่ผมจะดูอย่างดีเลยมันชอบผมแล้วละ่ะลูกชายก็เล่นกับลูกวัวท่าทางเขามีความสุขวัวเราะหน้าชื่นตาบานทีเดียวพวกโรงงานทำอิดคนงานเขาก็ถาม่าเจอเจ้าของหรือเปล่า คุณมาไล่ก็ได้จะสายหน้านะครั้นพวกเขาถามว่าลูกวัวเนี่ยตัวผู้หรือตัวเมียแกก็ตอบไม่ได้เพราะไม่ทันได้สังเกตจริงๆมัวแต่ตั้งหน้าตั้งตาไล่ต้อนมันท่าเดียวจนเย็นก็ยังไม่มีใครมาตามหามันจนค่ําก็ไม่มีวันต่อมาก็งเงียบลูกชายคือน้องอ๊อฟเนี่ยก็เลยต้องทําหน้าที่เป็นคนเลี้ยงวัวพามันไปกินหญ้าตามหน้าบ้านข้างบ้านบางทีก็ถอนหญ้ามาป้อนมัน ผ่านไปเป็นเดือนก็ไม่มีเจ้าของมาตามหาตามทวงก็เลยกลายเป็นว่ามันก็เลยอยู่บ้านคุณมาลัยเป็นเพื่อนเล่นของลูกชายแล้วก็เขาก็เป็นคนตั้งชื่อให้มันเองตั้งแต่วันที่สองที่มันมาอยู่แล้วให้มันชื่ออะไรดีแม่ชื่อไอ้แดงดีไหมลูกฮะสีมันแดงๆอุ้ยแม่เชจยจังวัวอะไรชื่อยังหมาแดงมันชื่อหมาแม่อ้าวงั้นจะให้ชื่ออะไรละ่ะ ผมคิดไว้แล้วนะแม่ให้มันชื่อไอ้มอนะแม่อะไรไอ้มอก็วัวมันร้องมอม อ, มอก็ให้มันชื่อไ อ, ม อ, อ้มอสิฟังแปลกๆตามใจกเัเถอะปรากฏว่ามันได้ชื่อไอ้มอใครๆก็เรียกมันอย่างนั้นมันไม่ได้อยู่แต่ที่บ้านยังไปที่โรงอิดด้วยไปกับลูกบ้างไปกับคุณมาลัยบ้างพอลูกมาอยู่ไปโรงเรียนมันก็ตามคุณมาลาไปโรงอิดเดินตามต้อยต่อ ย, อยแวะกินหญ้าบ้างแต่ส่วนใหญ่ แกจะใช้มอเตอร์ไซค์มันก็จะวิ่งเหาะๆตามไปโดยที่แกก็ขับไปช้าๆรอมันด้วยคนงานในโรงอิดก็ชอบมันรูปหัวรูปหลังมันได้มันไม่ว่าอะไรมียาให้มันกินมันก็ยิ่งชอบคุณมาลลยคิดว่ามันรู้ประษาเหมือนกับว่ามันฟังคนพูดรู้เรื่องอย่างนั้นแหละมันโตวันโตคืนทุกคนก็รักมันมันก็ยิ่งรู้ระษาจะเลี้ยงเอาไว้เฉยๆก็ ไรประโยชน์ก็เลยให้ลุงเสริมคนงานช่วยทำล้อให้มันลากเทียมมันเหมือนกับใช้ควายก็เลยได้ใช้มันเนี่ยช่วยลากของหนักๆ ก, ก็ทำให้ลูกชายของคุณมาลัยที่ไม่ค่อยจะอยากช่วยทำงานทำการหันมาออกแรงทำโน่นทานีา่ใช้ได้ทีนี้ไม่บ่นเหมือนแต่ก่อนแล้วล้อลากแล้วก็ไอมอเนี่ยก็ช่วยกันเป็นอย่างดีเออแปลกไม่ได้ซื้อไม่ได้หาก็มีวัวเอาไว้ใช้ คนเขาก็พูดกันอย่างนี้เมื่อตอนมาอยู่ใหม่ๆบางคนก็แนะนําบอกว่าให้เอาไปถวายวัดให้พระเลี้ยงอะแล้วจริงๆแล้วคุณมาไลก็อยากจะทําอย่างนั้นเหมือนกันคือเอาไปถวายวัดแต่ว่าน้องออฟลูกชายไม่ยอมเขาบอกว่ามันมาอยู่บ้านเราเองอะมันอยากอยู่บ้านเราเราก็ต้องเลี้ยงมันสิถ้ามันอยากจะไปอยู่วัดมันก็ไปที่นั่นแล้วมันจะเข้ามาในบ้านเราทําไมอะแสดงว่ามันอยากอยู่จะบ้านเราอะไล่มันก็ยังไม่ไปฮะแสดงว่ามันอยากอยู่นะแม่ นั่นแหละก็ต้องยอมเลี้ยงมันแล้วก็มันเป็นการตัดสินใจที่ว่าคุณมาเลยคิดว่าถูกต้องใครจะว่ายังไงก็ต้องแล้วแต่ความคิดเห็นของชาวบ้านคนก็ชอบพูดกันว่าเอามาเลี้ยงให้เป็นเวรเป็นกรรมทำไมหาเรื่องใส่ตัวอยู่ดีไม่ว่าดีนะไอ้มอช่วยงานในโรงอิดได้ดีไม่ดื้อเลยเล่าให้ใครฟังเขาก็ชอบใจกันก็ทำข้อใหมันอยู่ใต้ถุนนี่ลูกชายกลัวมันจะหาย ได้ยินว่าพวกหัวขโมยมันมาลักวัวบ้านเพื่อนเขาไปสองตัวเขาก็ยิ่งเป็นห่วงย้ายที่นอนไปนอนเหนือคอกบัวแล้วก็ให้ซื้อไฟฉายถ่านสามก้อนให้เขากระบอกนึ่ด้วยซองดูว่าคืนนี้หลายรอบ น, นี่บ้านคุณมาลัยพื้นเป็นไม้มีร่องมองลอดร่องออกไปก็เห็นคอกบัวเลยเห็นวัวนอนอยู่ตอนกลางคืนคุณมาลัยก็คิดว่าดีที่ลูกชายกลายเป็นเด็กที่มีความรับผิดชอบ รักษาดูแลของก่อนโน้นเขาไม่ค่อยสนใจอะไรอย่างนี้หรอกก็นับวอม้มนะเปลี่ยนนิสัยให้เขาเป็นเด็กที่มีความประพฤติน่ารักขึ้นมีเรื่องหนึ่งที่คุณมาลัยนึกไม่ถึงวันนั้นไปทำบุญกับญาติญาติที่วัดแห่งหนึ่งแถวแถวอำเภอโพทองแล้วก็ไปเจอหมอดูท่านเป็นพระพระหมอดูอายุราวๆเจ็ดสิปีญาติคนหนึ่งก็เล่าเรื่องลูกวัวเดินเข้ามาอยู่บ้านแล้วไล่ก็ไม่ไป อ่าเล่าเรื่องที่เกิดที่บ้านคุณมาลัยเนี่ยให้ท่านฟังท่านก็สะดุดใจทันทีขอดวงคุณมาลัยไปดูแล้วก็ถามว่าโยมเคยถูกคนโกงเงินไปใช่ไหมคุณมาลัยก็สะดุ้งท่านก็บอกว่าอืมไอเงินเล็กๆน้อยๆร้อยสองร้อยไม่ต้องพูดถึงที่ถามเนี่หมายถึงเงินก้อนใหญ่เป็นหมื่นๆหลายหมื่นไงนนอ่ะตีเท่าว่าห้าหมื่นมีไหม คุณมาลายยิ่งทึ่งหนักเพราะมันห้าหมื่นจริงๆก็เล่าให้ท่านฟังว่าเคยโดนผู้ชายคนหนึ่งเขากู้เงินไปแล้วไม่ใช่ไม่ได้ทั้งดอกทั้งต้นเลยเฉพาะเงินต้นเนี่ยห 0,000 ื่นแดงๆเลยกวักให้เขาไปคือผู้ชายคนเนี้สนิทกันมากตัวคุณมาลัยเองเนี่ยเป็นไม่ตั้งแต่ลูกชายอายุได้เจ็ดขวบก็ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับใครแล้วผู้ชายคนนี้ก็มาในช่วงสองปีหลังจากที่สามีคุณมาลัยรถคว่ำตายอ่า ผู้ชายคนนี้ท่าทางจริงใจอ่าเป็นคนแถวแถวบ้านนั่นแหละก็รู้จักหัวนอนปลายเท้าดีเขามามีท่าทีด้วยอ่ะก็ยอมรับว่ามีใจกับเขาเขาก็เอ่ยปากขอยืมเงินจะเอาไปลงทุนเปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์คุณมาลัยก็บอกว่าให้ยืมไม่ได้หรอกต้องกู้เดี๋ยวญาติพี่น้องจะว่าเอาเขาก็ตกลงแต่เขาก็โกงอ่ะ โกงคุณมาลัยไม่เคยได้คืนสักบาทเจ็บใจมากกว่าจะตัดใจได้ใช้เวลาเป็นปีๆหลวงพ่อก็ถามว่าเขาตายแล้วใช่ไหมทีนี่คุณมาลัยก็ยิงแปลกใจเอ๊ะท่านรู้ได้ยังไงก็ตอบไปว่าใช่ค่ะเขาเสียชีวิตไปแล้วโดนยิงตายในบ่อนเงินที่กู้ไปก็ไม่ได้ไปเปิดร้านหรอกไปเล่นพนันเสียหมดท่านก็บอกว่าเขานั่นแหละเขากลับมาชดใช้หนี้ให้แล้วกวัวตัวนั้นแหละคนเป็นหนี้แล้วไม่ใช้ ก็จะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานถูกใช้งานอย่างนี้แหละเป็นเรื่องธรรมดาครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆที่เรานำมาเล่าให้ฟังวัดเป็นเรื่องแรกครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับทีนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องของกฎแห่งกรรมท่านบุกวัง การทำความดีทำบุญกุศลอยู่เสมอโดยที่ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนของใครคนหนึ่งนั้นย่อมก่อให้เกิดความปิติเกิดสุกับบุคคลคนนั้นในด้านจิตใจเป็นอันดับแรกส่วนผลตอบแทนที่จะตามมานั้นจะเป็นอย่างไรก็คงไม่ต้องการจะรับรู้จะเร็วหรือช้าก็คงไม่สนใจรู้แต่เพียงว่าสุขใจเมื่อได้ให้ได้ทำบุญก็พอส่วนผู้ที่ทำบาปทำกรรม ก่อซ้ำแล้วซ้ำอีกหรือว่าจะกระทําโดยไม่ตั้งใจก็ตามบางทีก็คิดว่าชาตินี้ตัวยังอาจจะไม่ต้องใช้กรรมที่ก่อขึ้นก็ได้แล้วก็อาจจะได้ชดใช้กรรมในชาติหน้าเมื่อคิดอย่างนี้แล้วก็เกิดการลําพองใจไม่กลัวต่อ บ, บาปกรรมที่ได้กระทําไปแล้วแต่เชื่อไหมครับว่าสมัยนี้สมัยยุคปีนี้อะไรอะไรก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้แม้แต่กรรมเวรก็อาจจะไม่ต้องรอให้ถึงชาติหน้าแล้วค่อยใช้ ชาตินี้แหละทาปุ๊บได้ปั๊บเลยสมกับที่คำเขาบอกว่ากนเว้นติดจรวดมันมีจริงคุณนุสบานี่ทำงานเป็นแม่ครัวอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแถวแถวย่านบางกะปิร้านอาหารที่เธอทำนะั้นเป็นร้านอาหารกึ่งคาราโอเกะที่กำลังนิยมกันอยู่ในขณะนี้อายุของนุสบาหรือว่าพี่นุสที่ใครใครในร้านเรียกกันนั้นปีนี้ก็ย่างเขาสามสหกปีแล้ว จัดได้ว่าเป็นวัยกลางคนแล้วทีเดียวแม้ว่าอายุจะเป็นผู้ใหญ่พอสมควรแล้วแต่นิสัยใจคอของนุสบากลับงูหงิดโมโหง่ายคล้ายๆสาวแรกรุ่นที่มีปัญหานั่นเลยเธอมีครอบครัวแล้วสามีของนุสบาเป็นช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยเปิดเป็นร้านเล็กๆอยู่ที่บ้านชื่อนายนิกรนายนิกรสามีคนนี้ไม่ใช่สามีคนแรกของเธอนุสบาคเคยมีครอบครัวมาก่อน แต่สามีคนแรกหนีไปมีเมียน้อยจนกระทั่งเธอมาพบกันในนิกรเมื่อต้นปีนี้เองทั้งสองก็ตกลงใช้ชีวิตร่วมกันทันทีโดยในนิกรในอายุอ่อนวันุสบาถึงห้าปีเป็นธรรมดาของการมีสามีอายุอ่อนกว่าก็ทำให้นุสบาหงุดหงิดเพราะต้องคอยหึงหวงระแวงว่าสามีจะนอกใจอยู่เสมอจนงานการที่ทำก็ทาได้ไม่เต็มที่รุนคิดกังวลตลอดเวลา หากว่ามีใครมาจูจ้จี้ยิ่งเป็นพวกพนักงานในร้านอาหารด้วยกันมาเร่งอาหารเพื่อให้เร็วๆ เ, เข้าเพราะแขกเขารอนานนุสบาเป็นต้องลงเล้งโวยวายกระแทกโน่นกระแทกนี่คลมุมครามคลมุคลมครามอยู่เสมอจนลูกมือและเพื่อนร่วมงานก็เกิดความเบื่อหน่ายรำคาญไปตามๆกันแต่เธอก็ยังเกรงกลัวเกรงใจบุคคลคนหนึ่งนั่นก็คือเจ้าของร้านอาหารเพราะไม่อย่างนั้นก็คงตกงานแต่นุสบาก็ใช่จะไม่ดีไปสัทีเดียว บ่อยครั้งอีกเหมือนกันที่วันไหนจูจีกับแฟนมาอารมณ์ดีก็จะซื้อขนมนมเนยมาฝากเพื่อนร่วมงานแล้วก็คุยสนุกสนานผิดไปเป็นคนละคนจนเพื่อนๆนี่นนเริ่มชินชาซะแล้วจนอยู่มาวันหนึ่งวันนั้นร้านอาหารใกล้จะปิดอยู่แล้วแต่ว่าลูกค้ายังมีอยู่หลายโต๊ะแล้วก็สั่งอาหารอยู่ตลอดก็ทำให้นุสบาซึ่งใจไปอยู่ที่บ้านแล้วเพราะกังวลกลัวสามีจะไปหาผู้หญิงอื่นก็เกิดอารมณ์เสียหงุดหงิด เธอกระแทกกระทะตะหลิวเสียงดังโครมครามโครวมครามอย่างเคยปากก็บ่นงืมงงัอยู่ตลอดเวลาใครเข้าใกล้เป็นต้องโดนตวาดทุกรายพระอิญด้านหลังครัวนั้นติดกับต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีตุ๊กแกสองตัวผัวเมียอาศัยอยู่มันอาศัยอยู่ที่นี่มานานแล้วก็ส่งเสียงร้องทุกวันจนใครๆก็ชินแล้วก็ไม่กลัวมันแล้ววันนั้นคงจะเป็นคราวเคาะของตุ๊กแกคู่นั้นก็อาจจะเป็นได้เจ้าตัวผู้มันคงจะหิว มันตายต้วมเตียมมาอยู่ใกล้ช่องหน้าต่างที่นุสบากำลังทำอาหารอยู่พร้อมกับส่งเสียงร้องตับแก่ับแก่ทำเอาเธอซึ่งกำลังหุดหงิดโมโหอยู่แล้วเกิดตกใจขึ้นมาด้วยความโกรธนุสบาก็เอาน้ำร้อนที่เธอกำลังล้างกระทะอยู่นั้นสาดใส่เจ้าตุแกตัวนั้นทันทีผลก็คือมันร่วงลงไปชักดิ้นชักงอแล้วก็ตาย ตุ๊กแกตัวเมียที่เห็นเหตุการณ์ก็รีบไต่ลงมาจากต้นไม้ที่มันเกาะอยู่ด้วยสัญชาตญาณความเป็นห่วงคู่ของมันพร้อมกับส่งเสียงร้องตับแก่ทับแก่ดังระงมไปหมดแทนที่นุสบาจะสำนึกผิดเธอกลับยิ่งเพิ่มอารมณ์โกรธขึ้นโดยคิดว่าตุ๊กแกอีกตัวจะมาทำร้ายเธอนุสบากหันรีหันขวางพลางเห็นไม้ขวาดที่วางอยู่ใกล้ๆ ก, ก็คว้าขึ้นมาแล้วก็ตีไปยังตุ๊กแกตัวเมียตัวนั้นหลายทีซึ่งมันก็ร้องด้วยความเจ็บปวด และที่หน้าสลดก็คือมันกำลังท้องอยู่ด้วยนุสบาตีมันจนไสทะลักไข่จำนวนหลายใบเขามันกระจัดกระจายออกมาด้วยมันก็สิ้นใจตายอย่างน่าเวทนาเหตุการณ์ทั้งหมดหลายคนที่อยู่ในครัวต่างก็เห็นแล้วก็เกลียดนุสบาไปตามๆกันต่อมาไม่นานนุสบาเริ่มตั้งท้องจิตใจของเธอยิ่งรุ่มร้อนหนักขึ้นเพราะเกรงระแวงนิกรสามีของเธอซึ่งตอนนั้นเธอเริ่มท้องได้ประมาณสามเดือน เช้าวันหนึ่งขณะที่นุสบากาลังจะเดินทางไปโรงพยาบาลเพื่อไปตรวจคันตามปกติของคนฝากท้องกับโรงพยาบาลโดยเธอนั่งแท็กซี่ไปคนเดียวเนื่องจากสามีต้องรีบซ่อมวิทยุให้ลูกค้านุสบานั่งเอนพิงอยู่เบาะหน้าข้างคนขับเวลานั้นมาถึงสี่แยกแห่งหนึง่งคนขับรถแท็กซี่เกิดขับขว่าไฟแดงเลยเกิดอุบัติเหตุชนกระที่ได้ไฟเขียวมาอย่างจัง ผลของอุบัติเหตุในครั้งนั้นฆ่าชีวิตท่องเด็กในท้องของนุสบาตัวนุสบาเองบาดเจ็บสาหัสเพราะโดนไฟครอกเนื่องจากรถเกิดไฟไหม้ขึ้นดีที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้เห็นเหตุการณ์ช่วยชีวิตไว้ได้ทันเธอใช้เวลารักษาตัวอยู่หลายเดือนทั้งร่างกายและจิตใจอบอบช้ำเหลือเกินออกจากโรงพยาบาลในลักษณะของคนเสียโฉมแล้วก็พิการเดินไม่ได้ ปัจจุบันนี้นุสบาต้องกลับไปเป็นภาระให้ญาติที่ต่างจังหวัดเลี้ยงดูอย่างหงุดหงิดในหัวใจของพวกเขาเพราะว่านายนิกรสามีของเธอหนีจากเธอไปแล้วและนุสบาตนี่ก็เป็นอีกผู้หนึ่งที่จะยืนยันแล้วก็ยอมรับว่าสมัยนี้เวรกรรมมันติดจรวดจริงๆครับเรื่องของเวรกรรมบาป บ, บุญอีกเรื่องหนึ่งนะครับเกิดขึ้นกับพี่หมู ชายวัยกลางคนที่วันนี้ชีวิตของเขาเปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อก่อนอย่างมากมายทั้งร่างกายและจิตใจคุณศักดาจําได้เมื่อสิบปีก่อนนั่นพี่หมูเป็นใต้กขงเรือจับปลาลํานึงอยู่ในหน้าน้ําของท้องทะเลจังหวัดตราดแกเป็นคนที่ค่อนข้างมีฐานะคนหนึ่งพี่หมูก็สร้างฐานะได้อย่างรวดเร็วด้วยความขยันขันแข็งจากการเป็นลูกจ้างแกสามารถไต่เต้าขึ้นมาจนได้เป็นใต้กขงเรือในระยะเวลาอันสั้น คุณสักดารู้จักพี่หมูเพราะว่าแกต้องนําเรือจับปลาเข้ามาจอดเพื่อขึ้นปลาทุกครั้งเมื่อกลับจากทะเลที่ท่าเรือลุงของคุณศักดาซึ่งอยู่ที่อ่าวช่อเมื่อสิบกว่าปีก่อนตอนนั้นคุณศักดายังเรียนหนังสือไม่จบแล้วก็อาศัยอยู่กับลุงและป้าซึ่งแกเป็นเจ้าของท่าเรือแห่งนั้นพี่หมูเนี่ยเป็นคนเงียบๆถ้าไม่ดื่มเล่าแต่ถ้าเมาได้ที่แล้วพูดไม่หยุดเลยอ่าคุณศักดาชอบไปดูแกคัดเลือกปลาแล้วก็ต้มหอยการต้มหอยนี้อ่า คือหอยจำพวกหอยลายพราเขาจับมาได้จำนวนเยอะๆก็จะไปทำการต้มเพื่อแยกเนื้อออกจากเปลือกเนื้อของหอยลายเขาก็นำไปทำหอยลายผัดเผ็ดหรือว่าหอยลายแห้งบรรจุกระป๋องคุณศักดากับพี่หมูเนี่ยคุยกันถูกคอแล้วก็คุณศักดาชอบถามเรื่องการจับปลาของแกตอนที่แกเริ่มจะเมาพี่หมูก็เล่าให้ฟังอย่างออกรถออกชาทีเดียวจนกระทั่งโรงเรียนปิดเทอม คุณสักดาก็ขออนุญาตคุณลุงติดเรือพี่หมูออกทะเลเพราะความอยากเห็นตอนแรกคุณลุงก็คัดค้านเพราะเป็นห่วงเห็นว่าจะต้องไปอยู่กลางทะเลกันนานหลายวันแต่ว่าคุณศักดาบอกลุงว่าไม่ต้องห่วงหรอกผมอยู่ได้เพราะว่าพี่หมูเขารับปากจะดูแลผมเป็นอย่างดีและอีกอย่างผมก็เป็นลูกชาวเลคนนึ่งเหมือนกันคุณลุงก็เลยอนุญาตอย่างไม่เต็มใจนักคุณศักดาใช้ชีวิตอยู่กลางทะเลหลายวันก็ได้พบเห็นสิ่งแปลกๆหลายอย่าง ทั้งที่สนุกตื่นเต้นแล้วก็สลดหดหูที่ว่าสลดหดหูหัวใจนะั้นมีอยู่สองเรื่องเรื่องแรกคือการกินอยู่ของบรรดาลูกเรือทั้งหลายพวกเขากินกันอย่างง่ายๆแล้วก็ลาบากอาหารส่วนมากจะเป็นน้ำพริกแห้งแล้วก็บรรดาอาหารแห้งทั้งหลายส่วนข้าวก็จะหุงกันเองเวลานอนก็อาศัยนอนกันตามดาดฟ้าเรือมุมใครมุมมันลูกเรือส่วนมากจะเป็นแรงงานต่างชาติซะส่วนมากเพราะจังหวัดตราดน่านาน้ำติดกับขเขมร ส่วนอีกเรื่องก็คือตัวพี่หมูนั่นแหละที่ว่าแกทำให้คุณศักดาเห็นคือตามปกติของพวกจับปลานั้นถ้าอวนติดปลาโลมาขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่เขาจะปล่อยมันลงทะเลดังเดิมไม่มีใครนิยมจับมาขายหรือเอามากินเพราะเขาถือว่าปลาโลมาเป็นสัตว์ที่มีชีวิตและความรู้สึกคล้ายมนุษย์มากที่สุดแต่ว่าพี่หมูกลับไม่คือเรื่องเกิดวันที่สามขณะที่เรือ กำลังทำการยกอวนขึ้นมาสิ่งที่ได้พบเห็นก็คือปลาโลมาตัวน้อยๆมันยาวประมาณสามฟุตเห็นจะได้ในขณะที่ลูกเรือคนหนึ่งดูร้อนรอนที่จะนำปลาออกจากอวนพี่หมูก็เดินเข้ามาพอดีรู้สึกแกจะดีใจมากอะเออวันนี้ลาบปากกัโเละอ่ะดีนะเที่ยวนี้มีเล่าติดมาด้วยคุณสักดาเองก็อดแดกใจซึไม่ได้เพราะที่รู้ๆนี่เขาไม่กินปลาโลมากัน พี่หมูนี่เอาปลาโลมาตัวน้อยนั้นมาวางไว้กลางลําเรือเชื่อไหมครับปลาโลมานั้นมันร้องครวนครางเหมือนคนจริงๆน้ําตาทั้งสองข้างก็ไหลปริมออกมาเหมือนจะรู้ชะตากรรมลูกเรือคนที่คุณศักดาหเห็นในตอนแรกว่าเขาร้อนรนในการจะปลดปลาออกจากอวนเขาแอบกระซิบเล่าให้คุณศักดาฟังว่าเขาตั้งใจจะรีบ ป, ปล่อยปลาโลมาตัวนั้นลงน้ําแต่ไม่ทันพี่หมูมาเห็นซะก่อนเขาบอกว่าพี่หมูนี่ชอบกินเนื้อปลาโลมามาก โดยนํามาปรุงแล้วก็แกล้มเหล้าแกทําบ่อยๆตั้งแต่ได้เป็นใต้ก๋งเรือเนะี่ยแกจะกินอยู่คนเดียวลูกเรือไม่มีใครเอาด้วยเพราะว่าหลายคนเชื่อคําโบราณเกี่ยวกับคําเตือนเรื่องปลาลมาทุกคนกลัวบาปกรรมแล้วก็เชื่อว่าปลาลมาเป็นปลาที่มีความรู้สึกนึกคิดคล้ายๆคนไม่ทําร้ายมนุษย์แต่สามารถช่วยชีวิตเราได้เมื่อเกิดภัยพิบัติทางทะเลครับมีหลายคนเตือนพี่หมูแต่แกไม่ฟัง แกบอกว่าตัวแกเป็นคนสมัยใหม่เย็นนั้นพี่หมูก็จัดการสังหารปลาโลมาด้วยตัวเองคุณศักดาไม่กล้าเข้าไปดูเพราะสงสารแค่ได้ยินเสียงมันสะอึกสะอื้นร้องไห้ก็ใจเสียแล้วหลังกลับจากทะเลคราวนั้นคุณศักดาเขาไม่ได้ออกเรือไปกับพี่หมูอีกเพราะว่าโรงเรียนเปิดเทอมแล้วแต่ก็ยังเห็นอีกหลายครั้งที่พี่หมูมีเนื้อปลาโลมากลับมาทำอาหารแกร้มเหล้าบ่อยๆ อีกสองปีต่อมาคุณศักดาเรียนจบแล้วก็ได้ทำงานในกรุงเทพก็เลยไม่ได้ค่อยกลับไปเยี่ยมลุงกับป้าที่จังหวัดตราดจนกระทั่งเมื่อต้นปีได้ลาพักพักร้อนหลายวันก็กลับไปที่นั่นอีกท่าเรือของลุงกับป้าก็เปลี่ยนแปลงไปมากจากท่าจอดเรือที่เคยเป็นแพไม้ก็มีการยกตลิ่งเท ป, ปูนอย่างดีทุกคนยังสบายดีคุณศักดาก็ถามถึงพี่หมู ป้าก็รีบจูงมือคุณศักดาไปตรงท่าเรือแล้วก็ชี้ให้ดูผู้ชายคนหนึ่งที่นั่งอยู่ตรงนั้นในลักษณะเหมือยลอยคุณศักดิ์าก็เดินเข้าไปใกล้ๆที่แท้ก็คือพี่หมูนั่นเองดูแกจะแก่ไปมากแล้วก็โทรมมากคุณศักดิ์าก็ร้องเรียกชื่อแกสองสามครั้งแกถึงได้หันมาดูแล้วก็หันหน้ากลับไปมองในทะเลอีกสังเกตว่าแกกําลังร้องไห้อยู่นะคุณศักดิ์ดาก็แปลกใจมากป้าก็เลยสะ ก, กิด ให้หลับบ้านแล้วก็เล่าให้ฟังว่าระยะสองสัมปีที่ผ่านมาพี่หมูจับปลาได้ไม่ค่อยดีก็เลยพยายามล่วงล้ำเข้าไปในเขตขเขมรในที่สุดก็ถูกจับเขาปล่อยตัวกลับมาแต่ว่ายึดเรือไว้พี่หมูก็พยายามวิ่งเต้นจนหมดเนื้อหมดตัวกว่าจะได้เรือกลับมาแต่เคราะหหามยามซวยเรือมาเจอพายุอับปางตัวพี่หมูอาศัยเกาะถังน้าเปล่าๆ ล, าลอยตัวอยู่ในทะเลหลายวันกว่าจะมีคนมาช่วย ตั้งแต่นั้นมาสติสตังก็เลยไม่สมประกอบอาศัยญาติพี่น้องเลี้ยงดูกันไปวันๆแกก็จะนั่งหลังน้ำตาเหมือนปลาโลมาร้องไห้อย่างไงอย่างนั้นเลยคุณศักดา์าได้ฟังก็คิดว่าป้าผู้ถูกและทุกคนก็คงเชื่ออย่างนั้นเช่นกันครับเวลาหมดแล้วท่านบูฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ